ความคิดมันทำไงดีอย่าใจะเห็นว่าความคิดกับไอตัวของเชื่อมคิดมันเกิดได้อย่างไงนะเอาเอาตัวนี้เป็นหลักอะไรอืนถ้าจะมายกบมาทางนี้ยมเห็นเงาไหมเห็นเงาของหมอนนี่ไหมไม่เห็นฝ้าอะไเขา แ, แสบอยู่เท่านั้นใช่ไหมทีนี้ถ้าจะหาให้เห็นชัดเอาเงาของันตาจะเห็นชัดนะจริงๆจะเห็นเงาทางนี้ใช่ไหม หืออะไรก็ตามเนี่ถ้าห า, าเอาไฟมาที่เงาก็จะไปทางนี้ใช่ไหมไฟมาที่เงาก็จะมาทางนี้เอาไฟมาที่เงาก็จะไปทางนี้นี่ถ้าจะถามว่าระหว่างเงากับอันเนี้ยอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามนี่ระหว่างเงากับกล่องอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามอืมอ <c oughs> วันนี้สอบอารมณ์ <c oughs> ผ่านไหมเนาะต้องหาตัวอย่างชัดๆเรียนเนี้ยต้องสอบอารมณ์ถ้าไม่สอบมันก็ไม่รู้ว่า ม, มีความรู้ไหมงไงก็แล้วเงาก็ยังอยู่ทางนี้ดีเนาะ ถ้ถามว่าระหว่างกล่องนี้กับเงาเนี่ยอันไหนเป็นรูปเป็นนามเพ <c oughs> ราะอันนี้มันก็รูปอันนี้มันก็รูปใช่ไหมที่ถามว่าอันไหนเป็นรูปเป็นนาม <c oughs> ลองลองพิจารณาดูว่าอันไหนเป็นรูปเป็นนามนะระหว่างอน <c oughs> กล่องนี้นกับเงาเนี่ยรูปนี้สัมผัสได้ไหมรูปนี้สัมผัสได้ไหมเพราะเพราะอะไรกล่อ แต่รูปนี้รูปนี้สัมผัสได้ด้วยนี่ยด้วยตาด้วยใช่ไหมรูปนี้สัมผัสด้วยอะไรด้วยตาสัมผัสได้นี่รูปบางอย่างสัมผัสด้วยตารูปบางอย่างสัมผัสด้วยหูรูปบางอย่างสัมผัสด้วยกลิ่นทุกทิศทางสัมผัสด้วยรวรูปบางอย่างสัมผัสด้วยใจอันใดก็ตามที่สัมผัสด้วยประสาทท้งห้าเขาเรียกว่าเป็นรูปนามเป็นรูปหมด แต่อันไหนก็ตามที่สัมผัสด้วยประสาทที่หกคือใจเขาเรียกนามรูปอันไหนที่สัมผัสด้วยประสาททั้งห้าเรียกว่ารูปนามอันนี้อย่าหลงประเด็นนะอันนี้ถามว่าอันนี้เป็นรูปเป็นนามบออันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามผิดเพราะมันสัมผัสได้อยู่เนี่ยถ้ตามสัมผัสได้มันก็ยังเป็นรูปอยู่เป็นรูปอยู่เอาละทีนี้ว่าสองอันนี้อันไหนรูปจริงอันไหนรูปไม่จริงอันนี้แหละมันเป็น เป็นรูปอะใช่ไหมรูปอันนี้คือเราเราอยู่ในชีวิตปัจจบันอย่างเคยชินนะเราไม่ค่อยสังเกตอันนี้ที่เรียกว่าทำไมเราจึงไปอยู่ในอดีตนะครับทัทง้งๆที่สิ่งที่เป็นปัจจุบันเนะี่ยเรายังรู้มันไม่หมดเลยที่ข้อเขาเรียกว่ า, าวิชานะคือคนไม่ยอมอยู่ปัจจุบัน ท, ทนั้งๆที่ มันก็ไม่รู้จักหมดหรอกแต่ว่าก็ไม่ยอมอยู่ไม่รู้เพราะอะไรนะนั่นเองแงอันนี้คือตัวอย่างให้เห็นว่าอันนี้คือรูปภายนอกนะเอาละทีนี้รูปภายในยบ้างสมมุติว่าร่างกายของเรานี่คื อ, อกระดาษอะไรคือเงาของร่างกายอันนี้ <Okay. S 1> เอาเอาอย่างนี้ดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นเอาตรงนี้ก่อนถ้าสมมุติว่าจะให้เงาของกล่องกระดาษนี้หายไปได้ไหมเนี่ยจะให้เงาของกล่องกระดาษนี้หายได้ไหมปิดไฟมันก็หมดทั้งเงาทั้งกล่องกระดาษนะ ถ้าท so ER ั้งมีไมทงมีไฟอยู่เนี่ยแต่ไม่มีเงาได้ไหมนั่งลงมันก็มีเงาอยู่นี่อืััน่งลงก็มีเงาอยู่นี่มันก็มีเงาอยู่ตราบใดที่มันยังมีอันนี้มันก็จะมีเงาอยู่ไม่ใช่ไงเอาย้ายไฟมาอยู่ตรงนี้ดิเงาเกินไหมอออเอาเอางี้ขอโทษนะไม่มีเงาอ่าเห็นไห น่นวิธีที่จะเงาออกหลายวิธีหนึ่งก็คือเอาไฟมาตรงตรงกล้งนี่เสียสองเอาไฟมาตรงนี้อีกดวงหนึ่งเงา น, นี่ก็ไม่มีแล้วบาลานให้แสงมาอ่ตรเงาอ่าให้แสงมาอยู่นี่อีกแสงหนึ่งเงาตรงนี้ก็หายไปอันนี้สอนอะไรกับเราในแง่ของชีวิตละ่ะถ้าสมมุติว่ากระดาษ น, นี่คือตัวเรากองกระดาษ น, นี่ไนงะอะไรคือแสงอะไรคือแสง อะไรคือเงานี่คือเขาเรียกว่าโอปะนิยโกเราต้องมองสีข้างนอกก่อนที่เราจะมารู้จักสีข้างในถ้าเรายังไม่แจ้งสีข้างนอกนะเราจะแจ้งสีข้างในไม่ได้เขาเรียกโอปะนิยโกลูกทำนามธรรมเราต้องเห็นลูกทำนามธรรมเราจะต้องเห็นลูกทำก่อนที่จะไปเห็นนามธรรมถ้ายังไม่แจ้งในลูกทำเราจะแจ้งนามธรรมไม่ได้ะถ้าสมมุติว่าชีวิตที่คือกองกระดาษแล้วอะไรคือแสงอืมเอาให้ดีๆเอาให้ดีๆ เพ ป, ปฏิจุบันมาหลายข้อแล้วต้องต้องสอบกันแล้วเพราะนั้นเราอยู่เือปัจจุบันก็จริงแต่ต้องอยู่ให้ชัดๆทีเดียวนะถ้าไม่ชัดอย่างต่อนึ่องเนี่ยมันไม่แจ้งนะทั้งทั้งที่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่แจ้งเอาล่ะช่วยเฉลยดูกลับมากองกระดาษทีนะกองกระดาษนี้จะให้มีเงาก็ได้ไม่มีเงาก็ได้โดยที่ไม่ต้องปิดไฟประการที่หนึ่งก็คือเอาไฟมาไว้ตรงกลางนี่เสีย เงาเขาไม่ปรากฏไอ้ตรงกลางนี้เรียกว่าปัจจุบันใช่ไหมถ้าไปทางนี้อาจจะเป็นอดีตอันนี้อนาคตอันดีตอนาคตตรงกลางนี้เรียกว่าปัจจุบันนะถ้าเอาไฟมาอยู่ตรงปัจจุบันที่ตรงกลางเงาก็หายไปใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันไฟอยู่ตรงกลางเนี้แต่จบางครั้งเราจําเป็นต้องใช้เงาเราจำเปต้องใช้เงาให้เงาปรากฏอ่าเราต้องการใช้เงาคือต้องการใช้ความคิดอหะเราจะทํายังไงที่ต้องการใช้ความคิด ด้วยแล้วก็ไม่มีเงาด้วยก็ต้องใช้ไฟอีกดวงหนึ่งมา อ, อยู่ดวงนี้เพราะฉะนั้นความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยคือเหมือนไฟดวงตรงกลางนี้ที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะและสมาธิด้วยนะคือไฟดวงนี้แต่ไฟอีกดวงนี้เราต้องการใช้เนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าปัญญาคือจุดไฟขึ้นอีกดวงหนึ่งจา้า น, นี่ตัวนี้คือดวงปัญญาเพราะฉะนั้นเงานี้จะกลายเป็นแสงสว่างเพราะมีแสงสว่างอีกดวนงเข้าไปแทนเงา เพราะฉะนั้นความคิดนั้นถ้ามันคิดโดยที่ไม่มีแสงสว่างอีกดวงเข้าไปคือไม่มีปัญญาเขาก็เรียกว่าเป็นโมหะคือเป็นเงาเป็นเส ม, มือนปวงหะใช่ไหมแต่เมื่อใดถ้ามีสติสัมยาลงไปตรงนี้เราไม่ต้องใช้ปัญญาก็หมายความว่าไม่มันก็ไม่ต้องการใช้เงาบางครั้งปัญญาเราไม่ต้องการใช้แต่เพียงจะมีสติสัมยาทั้นเองเพราะนั้นความจากัดความของว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ได้บอกคนมีปัญญา พระอหันคือผู้มีสติสมสิญญสมบูรณ์<ม>เท่านั้นท่านไม่ได้บอกว่ามีปัญญาสมบูรณ์นะเพราะปัญญามันใช้เป็นบางครั้งแต่สติมสมิญญต้องใช้ทุกครั้งอเพราะฉะนั้นเราจะดื่มตรงนี้ว่าถ้าอันนี้คือตัวเราถ้าเมื่อไรแสงสว่างอยู่ห่างจากตัวเราไปต้องเกิดเงาหมายความว่าเราเอาความคิดไปอยู่นอกตัวเราเนหะมือนกับเอาความคิดไปอยู่ที่นู่นแสงสว่างอยู่ที่นู่นมันก็ต้องเกิด ตัวเงาคือนํามารูปเพราะสติห่างตัวเมื่อใดเลื่อนสติเข้ามาอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ตัวความคิดก็หายไปคือเงาไม่มีใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสติสมิยะอย่างเดียวเนี่ยมันใช้งานไม่ได้บางครั้งต้องใช้งานเราก็ต้องใช้จุดไฟอีกดวงหนึ่งโดยที่ไม่ต้องมีเงาเอาไฟตรงนั้นมาแทนเงาเสียก็เรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้น จุด น, นี้จึงเป็นส่วนสําคัญว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปรมัตา์ก็จริงแต่ถ้าเราแจ้งสมมุติแล้วเนี่ยปรมัตา์มันจะรู้เองถ้าเราแจ้งปัจจุบันแล้วอดีตอนาคตเราจะรู้เองแต่ทําไมคนถึงไม่เชี่ย อ, อยู่ปัจจุบันอ่าที่พูดมาเมื่อวาน่ะเพราะอะไร <c oughs> อ่าเพราะจิตของเราไปเคยชินอยู่กับตัวไม่รู้อดีตอนาคตมาจนชิน มีพระพุทธเจ้ามาพบกฎอันนี้แล้วก็จึงนํามาสอนเราแล้วพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ในศาสนาอื่นก็ยังงมงงงงอยู่เงี้ยยังไม่เจอเหรอกเขาจะประกาศอะไรเขาก็ตามมาในนามของพระเจ้าแล้วก็ตามก็ยังไม่แจ้งในเรื่องอย่างนี้นะยัไ่ไม่แจ้งอย่าว่าไสา้แม้พุทธศาสนาของเราเหมือนกันนะที่เรานับถือกันที่เราพูดเรืองมามเกียรนะก็ยังไปนับถือเรื่องอื่นยังไม่ได้นับถือเรื่องความจริงนะนับถือเรื่อง เทพเรงพมเรื่องเจ้าเรื่องทรงเรื่ององค์เรื่องนาคเรื่อ ง, อ, ง, อ, ง, อ, งอะไรทั้งๆยังไม่ใช่เรื่องนี้เลยยังไม่เข้ามาใกล้เรื่องนี้เลยถ้าเราเอาเรื่องนี้ไปสอนเขา้าเขาบอกมันไม่ใช่พุทธศาสนาอะไรทั้งๆที่ว่าเขาไม่ใช่แต่เขาก็บอกคอยใช่นี่คือเราจะเราจะไม่แปลกว่าทําไมพุทธศาสนาจึงยังไม่ก้าวเท่าที่ควรเพราะาศาสนิกเองนั้นจะไม่แจ้งในาศาสนาของตัวเองจึงเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ศาสนาไม่ได้ เพราะฉะนั้นจุดนี้เองเราจะต้องอยู่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยหมายเขาว่าเราไม่ใช่อยู่แบบทื่อๆนะคือดูตาดูให้เห็นให้ชัดหูได้ยินให้ชัดจมูกดมกลิ่นลิ้นริมรวดกายสัมผัสใจรู้เนี่ยให้ให้ชัดต่อสิ่งนั้นพอมันชัดแล้วเนี่ยมันจะไม่สงสัยมันจะไม่คิดท่านจึงใช้คาว่าสักแต่ว่า ใช่ไหมสัตวะนี่ไม่ใช่ดูเฉยๆนะสัตวะหมายความมันชัดชัดจนไม่สงสัยอ่ะไม่ต้องคิดอะ่ะเขาว่าสัตวะตรง น, นั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองพุทธจ้าบัญญัติว่าเป็นนิพพานะปัจจุบันที่พระองค์จัดกับอา ะ, ายะาาิยะทารุจิริยะใช่ไหมว่าพระญิะทารุจิริสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานสงสัยเรื่องพระอรหันต์ที่รู้ว่าตัวเองเนะี่ยมีเวลาอายุน้อยที่จะอยู่ในโลกนี้ ก็รีบไปถามให้ให้หายสงสัยเรื่องนี้กับพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็มันเป็นในช่วงที่ท่านกําลังบิดาบา ท, ท่านก็ยังไม่ยอมตอบแต่ท่าหะฮิยะขยันขย่อให้ให้ตอบคําถามเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยอายุสั้นแน่นอนกพพ็พุทธองค์รู้วอ๋ออายุเธอสั้นแน่นอนก็รีบบอกเลยว่าเมื่อไหร่เธอเห็นสัจธรรมเห็นได้ยินสักกุดีนินรู้สักดีรู้ ไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีข้างล่างไม่มีข้างบนนั่นเราวรยัดว่าพธิพานเนี่ยเห็นไหมท่านรี่บอกเลยนะแล้วก็พาะเฮียก็เกตในขณะนั้นทันทีเหมือนกันเป็นพระรหันในขณะนั้นทันทีเหมือนกันอา้าวพอรู้ตัวเองหายสงสัยเรื่องนี้แล้วขอบวชเลยในสมัยนั้นพระไม่ได้เหลือเฟืออย่างทุกวันนี้ใช่ไหมอ่มอาขอบวชแล้วงั้นเธอไปหาผ้ามา ผ้ากรสอบแกก็ออกไปหาผ้าด็ทีนี้ตอนนี้ช่วงเช้าอใช่ไหมเขาก็ปล่อยวัวปล่อยควายามากินหญ้านี้ไอ้การหาผ้าสมัยนั้นมาหาได้สองที่หนึ่งกองขยะสองป่าชา้าป่าชาก็หมายเขาผ้าที่เขาเอาโซ่ไปทิ้งนะ<ม>กองขยะก็หม่ยเขาเสศษผ้าเสศษอะไรที่เขาเอาไปทิ้งแกก็ไปหากองขยะง่ายกว่านี้เขาปล่อยวัวปล่อยควายมาองค์วามเขก็ไปกินถุง ก, กินไปเตียงใบหน่องกองขยะใช่ไหมทีนี้แกก็ไปใกล้ลูกวัวไม่รู้อ่อนเขา ไกลลูกวัวไม่รู้ออมมันก็หวงลูกมันดิมันโดดขีดอย่างแรงไงขีดจังเลยเข้าที่เลยแก็มรณะทางดีเลย mm hmm. อืมมาที่ที่กลับไปสู่กลับไปวัดพุ้ที่เจ้าก็บอกนะที่คนที่มาถามมาถามน่ ก, กลับไปที่ชาวบ้านบอกคนที่มาคุยกับพระองค์เม่อี้นะไปหาของของขยะหาผ้าเลยถูกว่ขีดตายแล้วนะผ้าก็พระพุทธเจ้า ก, ก็เอา้าเป็นพาาระรหันั่นนะ เขาก็โจอัจนนี้เอา้าไมเป็นพระหรหลานทวาใจอย่างนั้นน่ะเอไม่สมศักดิ์ศรีเลยทุกข์ยบกเป็นไปได้นะเขาได้นิพพานนะประมาศีศีคํำนี้คําแปลกคือหมายเขาว่าตายแล้วได้นิพพานในขณะนั้นเลยได้นิพพานในขณะนั้นนี้ก็พระหลานทั้งหลายพระทั้งหลายไม่ใช่พระหลานพระพุฏิชนทั้งหลายก็ถามบุญว่าทำไมคนมีบุญมีได้ถึงพระหลานจะทำไมสะตากรรเป็ น, าาย น, กกนปอย่างนั้นน่ะพระองค์ก็บอกว่าเขามีอดีต ที่ทำกันมาระหว่างโโหไม่รู้อ่อนกับตัวเขาเนี่ย mm hmm. จองเวนกันมาเพร่อเมื่อก่อนสมัยหลายพบหลายชาตินี่นะพะยาธารุเจี๊ยนเคยเปเกิดเป็นลูกเศรษฐีใช่ไหม mm hmm. ดิกเศษฐีมีเงิน mm hmm. ก็ไปเที่ยวข่มขืนลูกชาวบ้านเขาสิอ่าเที่ยวข่มขืนเที่ยวอ่าไปข่มเหงรังแกลูกชาวบ้านเขาทีนี้มีคนเนี่ยตอนที่ข่มขืนแล้วข้ามันตาย มันเลียกผูวอาฆาตเลว่าเกิดไปพูดไหนชาติไหนได้เจอฉันจะฆ่าไงคืนแบบเดียวกันนี่แหละมันก็ผูกเวรกันมาอย่างเงี้ยทุกทุกเป็นเวรในกรรมทุกชาติอันนี้คือกรรมของเขาเห็นไหมเพราะฉะเรื่องนี้เราพูดถึงว่าในปัจจุบันถ้าหากว่าเราชัดเจนจริงๆเจานั้นจริงๆนะมันง่ายแต่การเรียนธรรมแต่ทําไมคนจึงจะอยู่กับปัจจุบันไม่ได้นานนะก็เพราะว่าจิตของเรามันท่องเที่ยวเมื่อไร ในภพในชาติไม่รู้ไม่ครบไม่ทุวนแล้วมันเคยแฉลบไปแฉลบมามันยิ่งกว่าปลาไหลอ่ะใช่ไหมทีนี้ปัจจุบันจะให้มันต้องตั้งอยู่ปัจจุบมันมันยากนะเราก็ต้องพยายามพยายามจึกฝึกกันแล้วกันอีกล้ามันจะอยู่ให้ไม่ใช่ไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่ว่าต้องฝึกเท่านั้นเองต้องฝึกบ่อยๆฝึกให้จิตเป็นไปได้ต้องพยายามฝึกเท่านั้นก็ต้องใช้ก็ต้องใช้เวลา อามาก็เล่าหล า, หลายครั้งหนึ่งเรื่องของอุบาสิกาที่ว่าความทำพุทธิเจ้าเราไปทําอยู่ที่บ้านนะใช่ไหม แ, แค่แค่คือคนสมัยนั้นเขามีศรัทธาเขามีจริงๆนะเขาไม่ใช่ไปศรัทธาน้อยนะ เ, เขาว่าลงมือทําเขาทําจริงๆนะเก็บผักหาฟื้นเตอะหุงข้าวล้างจานทุ่บ้านเขาทําต่อหนึ่งัเลยตั้งสติจริงๆนี่คือศรัทธาของเราต่างกันยในในสมัยปัจจุบันในศรัทธาของเรามันยังไม่มั่นคงไงมันก็แฉลบไปแฉลบมา ทำบางไม่ทำบ้างแล้วแต่จะนึกได้จ้ะสมัยนั้นถ้าจะทำแล้วอู้อันไหนสิ่งสุดยอดมัคือคนสมัยนั้นเนี่เขาคนแสวงหาอยู่แล้วอะนะะเขาพอรู้ว่าอะไรที่มันเป็นแก่นสารสาระเขาก็ฝึกอจริงๆจริงๆจังเลยนะมันก็มันก็ทําให้แม้แต่เป็นอุบาสิกาในสมัยนั้นจะเป็นเป็นไปได้ถึงว่านาคามียนะเพราะฉะนั้นนี้จึงไม่ใช่พุทธศาสนาเนี่ยท่นตัดไว้เพื่ออะไรเพื่อให้คนทุกคนทําได้แต่ว่า มันต้องมีศรัทธามีความเพียรมีการฝึกทุกคนทําได้ก็จริงแต่ว่าต้องกําหนดว่าคนนั้นต้องมีศรัทธาและมีความเพียรไม่เคยทุกไม่ใช่ว่าทุกคนทุกคนทําได้คือมันทุกคนที่มีศรัทธาไม่ใช่ทุกคนที่ไม่มีศรัทธามีศรัทธามีความเพียรสมาิสมาธิปัญ ญ, ญาแล้วก็มาฝึกเอาอย่างนี้แหละขอให้มีศรัทธามีความเพียรเอาไว้แล <s Gad guard> ้วสติสมาธิปัญญาค่อยฝึกไปฝึกไปมันก็เป็นไปได้นี่คือในส่วนที่ที่เราจะต้องเรียนรู้จากตัวปัจจุบันเรรู้จากตัวปัจจุบันนอย่่างีี้้แลว มันก็จะไม่ประมาทในปัจจุบันเราจะดูแต่ก็ไม่ใช่จ้องไม่ใช่เพ่งนะอันนี้ใหต้องแยกให้ออกนะระหว่างความชัดกับการจ้องการเพ่งอย่าให้มันชัดนี่ต่างกันนะถ้าไปจ้องไปเพง่งมันชัดนี่เกิดเรื่องนะเพราะอันนั้นทําด้วยความอยากด้วยอุปาทานใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะเกร็งจะเครียดจะตึงจะมึนขึ้นมาทันทีเลยอปูนหัวทันทีเพราะเราใหญ่ให้มันชัดเดี๋ยวเพง่งใช่หนักหรือไม่ใช่คือไม่นเข้าใจชัดเท่าที่มันชัดแบบสบายๆผ่อนคลายอะ่ะ ชัดเท่าไหร่เท่านั้นทางตามสติปัญญาของเราะบางครั้งมันก็ชัดทางรูปที่เห็นบางครั้งก็ชัดทางหูที่ยินดีคินได้ยินบางครั้งก็ชัดทางกลิ่นสัมผัสบางครั้งก็ชัดทางสัมผัสทางกายบางครั้งทางสัมผัสชัดทางอารมณ์เงี้ยเราก็ระแต่มันจะชัดทางไหนเราก็มุ่งให้รู้ทางนั้นชัดๆไปชิงทางหนึ่งไม่ใช่ให้มันชัดทุกทางไม่ใช่เพราะจิตของเรามันมีรู้ได้ทีละขณะรู้ได้ดวงเดียวจะให้มันชัดทุกทางไม่ได้มันจะสับสน ให้มันชัดบางครั้งมันก็ชัดทางตาเห็นบางครั้งเสียงมันชัดกว่าก็ไปกําหนดรู้ที่เสียงเอาบางครั้งไอ้ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งมันมันมันชัดกว่าแล้วก็ไปรู้ตรงนั้นหมายเขาว่าอันไหนมันชัดก็ให้ไปรู้อันนั้นเท่านั้นเองไม่ใช่ใจดูทุกชัดทุกอย่างมันก็มันก็ยุ่งไงดิไปดูอย่างอันไหนสับสนนะไม่ใช่สลับอันไหนมันชัดกว่าจิตของเรามันไม่ชัดในขณะเดียวมันไม่ได้ชัดทุกอย่างหรอก มันไฟฉายเนี่ยโฟกัสเข้าไปมันมีจุดเดียวใช่ไหมแต่ควจริงแสงมันกระจายอ่ะใช่ไหมแต่จิตที่เราโฟกัสมันจุดเดียวจิตก็เหมือนกันมันมีสร ะ, ะสิงสะะส่งราบรูกุกว้างก็จริงแต่จุดที่มันจะรู้จริงจริงมันมีจุดเดียวเยขาจะใช้คําว่าจิตเป็นเอกคตาจิตสมาธิจิตใช้คำนันมีรู้เป็นชัดๆเปเรื่องๆไปคําว่าชัดในที่นั้นชัดในแง่ไหนชัดในแง่ของรูปของนามนะไม่ชัดไม่ในแง่ของเสียงของฉันในเสียงของใครนะ ว่ามันเป็นเสียงรูปนามชัดเดยสักแต่ว่ามันเป็นรูปเป็นนามโอ้ยเสียงแกดา่าชันนี่ชัดเลยเกิดได้เจ็บเขามไม่ได้ใจอย่างไงีฉันไม่ใช่ไม่ใช่รูปเป็นนามแล้วมันเป็นสมมุติไปแล้วนั่นนะอ่าชัดจากความรู้สึกการเคลื่อนไหวนี้ถือว่าอ่าคือหมายเขาว่าความรู้สึกกับการเคลื่อนไหวของกาย ร, รูปนามนะี่ต้องชัดเป็นหลักเอาไว้ถ้าหากว่าความรู้สึกในตรงรูปนามไม่ชัดนะไ<ช>อ้เสียงตรงนั้นนะ่ะมันก็ไปอินลึก เกินมันจะกลายเป็นสมมุติไปเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องชัดไปจากรูปจำแนมเราก่อนชัดจะ ก, กายตัว น, นั้นก็ส่งก็ะแสไปว่าก็ดึงมากลับรูปนามมาอยู่ปัจจุบนันชัดลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าไม่มีรูปนามรูปนามไม่ชัดนะสิ่งที่ชัดหมายความมันไปทุ่มไปเลยโยนไปหมดเลยจิตของเรามันไม่ ม, มีที่จังเลย มันมีที่ตั้งเดิมงนะัมันไปทุ่มสมมติเราได้ยินเสียงใครมาว่ามาด่ามาอินทานะแล้วก็ทุ่มตัวของเราไปอยู่ในอินนี้เข้าไปนะั้นฉุดตัวเลยเราลืมลูปลูปนามนี้ไปเลยนี่อตรงนี้อ่าตรงรูปรูปนามนี้คือชัดอยู่ตรงนี้ก่อนตัวนั้นมันก็จะไปชัดเป็นผลตามมาเพราะฉะนั้นเองจุนเนี่ยความรู้ชัดตรงนี้ก็ต้องให้รูปนามปัจจุบันให้ชัดเจนไว้เสมอเป็นปหลักเอาไว้ ชัดตัวนี้เขาคือแสงสว่างหลักที่ว่าเมื่อกี้ใช่ไหมอ่าตัวรูปตัวรู้สึกตัวในรูปนามเป็นแสงสว่างหลักแต่แสงสว่างอีกดองหนึ่งเมื่อกี้คือแสงสว่างที่รองลงไปคือตัวปัญญาที่จะมาส่งหาในเงาเนี่นะแต่แสงสว่างหลักคือตัวนั้นคือมันครอบเวทั้งหมดเรียก ว, ว่าสตนะิสัมปชัญญะนะสติสัมปชัญญะคือแสงสว่างหลักตัวปัญญาคือแสงสว่ญญญางที่เราจะต้องมาหาเฉพาะจุดเพราะฉะนั้นการที่ไปรู้อะไรไปอะไรนี่คือตัวปัญ ญ, ญาที่ไปรู้นั่นแต่สติสัมปชัญญะต้องอยู่รูปนามนี้ นี่แสงสว่างหลักของรู้สึกตัวนี่ไงก็ก็ให้มันรู้ทั้งหมดอย่าให้มันรู้แต่เท้าอ่าถ้ามันรู้ทั้งหมดได้ก็ดีแต่ถ้ามันไม่ชัดทั้งหมดก็ให้มันรู้เท้าไว้ก่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าอ่าค่อยไล่ขึ้นไปเพราอบางครั้งสติปัญญาเราไม่เข้มแข็งพอใช่ไหมมันก็พยายามใช้สมาธิคอนเซนเทรตลงไปที่จุดที่มันมันเคลื่อนพอกําลังของสี่สมีปญญามันก็ไม่เท่ากันบางครั้งมันแข็งบางครั้งมันอ่อน มางครั้งเราก็พยายามใช้ความใส่ใจ concentrate ไปทึงเรวนี้เราเราสังเกตไปมันจะเกิดการเรียนรู้ของมันเองเราค่อยศึกษาไปอะไรไปซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใช้สติสมรทิปัญญาทำบ่อยๆมันจะเกิดทักษะเกิดความชนิดชนานาญแต่เรื่องนี้มันก็สอนกันไม่ได้เลยนะ <c oughs> ต้องไปสัมผัสเอาเองเพราะที่ถามถาถาเพราะเพราะเวลาทงานบ <c oughs> ทีเราเราเรากับความรู้ <c oughs> แลูกค้ามาปุ๊บน่ย uh huh. เ, เหมือนเมือนเราเราแบ่งความชัดไปที่โน้นนั่นคือปัญญาอ่าตัวที่รับไปรับรู้อะไรเกิดขึ้นคือตัวปัญญาแต่ความชัดหลักต้องอยู่ที่เรา uh huh. แต่ถ้าความชัดหลักที่ที่เราไม่ชัดในตัวปัญญาที่พุ่งตรงนั้นก็ไม่ชัดเหมือนกันอ่าเหมือนกับไฟฉายที่เราถือก็ บ, บอกนะไฟฉายที่อยู่ในมือของเรานะถ้าแบตเตอรี่มันไม่เต็มนะไอ้สายที่มันพุ่งไปข้างนอกเนะ่ยมันก็ไม่สว่างเหมือนกัน เพรานะั่ตัวสิทธิมยาณนี่ก็เหมือนแบตเตอรี่หลักตรงนี้ไฟที่อยู่หน้าหัวเทียนมันเนี่ยอันนี้หลักมันเพราะฉะนั้นในจุดของการปฏิบัติเนี่ยเขาศึกษาเขาสังเกตไปเพียงแต่ว่าให้อยู่กับปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่โดยที่ไม่รู้เรื่องของปริยัตอะไรก็ได้แต่โดยธรรมชาติมันจะทำมือเองแต่ที่มาที่ไปนี่หมายความว่าเปรียบ